เรื่องเวสันดรปริทัศน์ตอนที่เจ็ดโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเวลาเปลืองมามากถึงห้าหกชั่วโมงแล้วในชั่วโมงนี้เราจะต้องพูดกันให้มันจบลงไปเดี๋ยวว่าเราไปแล้วว่าเรื่องพระเวสันดร น, นี้ถ้าจะ <c oughs> พูดให้จบลงไปภายในห้านาทีก็ได้เรื่องของเรื่องเลยจะให้ยาวเป็นสิบชั่วโมงเลยก็ได้ ในตอนที่พระเวสสันดรท่านตีค่าตีราคาของลูกชายลูกสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มอบลูกนี้ให้แก่ชูชกพระเวสสันดรมือซ้ายก็จับแขนของลูกมือขวาก็หลังน้ำทักซิโนโทบปรากฏลงบนมือของชูชกและก็บวชสาทุด้วยเดชแห่งการให้ลูกนี้เป็นทาน ขอให้เป็นปัจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุนเถินเราให้สิ่งที่เรารักเพื่อแรกเอาสิ่งที่เรารักและปาถนาที่สดหลั่งลงไปแผนดินวาดวันไว้เขาสเสนนุราสันสะเทือนพวกเทพไปจ้าเหล่าเทวาในป่ากเขาลำนาภัายภัยก็โปรยข้าวตอกดอกไม้แฝ่ซองสาทุกการในกุศลเจตนาต่างทั้งนั้นการบุญแต่ละครัง้งพวกเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิบา ง, บาง ครั้งก็อดไม่ได้ที่จะสาตุการเพราะนั่นจะมีคําว่าสเพเทวาอนุโมทันตุเทวดาทั้งหมดทั้งปวงก็พากันแฝงสร้างตุกการกุมารบั้นต้นมันก็ผ่านไปแล้วก็เข้าสู่กุมารบ้านปลายกุมารบ้านปลายก็เล่าตอนที่ชูชกได้ผูกเอากันหาชาลีแล้วก็กระชุดกระชากลากไปต่อหน้าของพระเวสสันดรแล้วก็ไต่เขี้ยนไปต่อหน้าแล้ว พระวสสันดนได้มองตามหลังของอโอรสและธิดาลูกชายและลูกสาวที่ถกชูชกเนียนกระชากลากโจูแล้วก็เขี้ยนตีไปต่อหน้าเด็ทั้งสองคนก็ร้องไห้ปานปเป็นดึงหัวใจจะแตกสลายร้องเรียกให้พ่อช่วยคุณพ่อช่วยด้วยเพราะว่า <c oughs> ตะแก่นี่มันจะคนผียาวลูกไปกินพระเวสสันดรเผลอไปก็เลืมองมือออก คว้าไปเอาคันสอนลืมองค์พูดออกมาเลยว่าพูดกับตัวเองว่าแม่พามชั่วชาหีรโหดโฉดฉะไหนเรามาอยู่ป่าดงพองไยมาแต่ตัวก็หาไม่่นูสินสอนใช้ก็ถือมามาตีลูกแต่หน้าพ่อมาตีปลาตอนหน้าใช้เราคงทนไม่ได้คว้าเอาคันซอนหวังจะฟาดชูจกให้ขาดกลางวิ ญ, ญญาณของพ่อได้วิ่งเข้ามาสู ความเป็นพ่อสูจ่จิตใจของพระเวสสันดรแต่ในขณะเดียวกันสติของท่านก็มาได้อย่างรวดเร็วรู้เท่าทันว่าอารมณ์อันเป็นทุกขเวทนานี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราโดยเราไม่มีสตินั้นเป็นธรรมชาติสนชาติตยาณของความเป็นพ่อเป็นลูกใครก็ต้องเป็นอย่างนี้มหาบุรุษพระมหาโพธิสัตว์เจ้าควรจะสูงส่งยิ่งไปกว่านี้สติของท่านวิ่งมาทันทั้งกนึกละอายความรู้สึกที่คว้าคันสอนว่าจะยิงชุชก วางลงแล้วก็พูดเตือนตัวเองว่เวทสันดอนโครงการอะไรของเจ้านั่นไม่ใช่เรื่องของเจ้ามันเป็นเรื่องข้ากับเจ้าเบากับนายเขาจะตีจะเคี่ยนกันไม่ใช่เรื่องของเจ้าเมื่อท่นมีสติอย่างนี้แล้วก็วางคันสอนน้องสาธุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นศกเป็นศกเถิดสัตว์ทั้งหลายเป็นไ ป, นปนตามกรรมทั้งไข่ของมันพูดถึงความเมตตาปาณีนี่บางทีมันก็แสดงออกมาในลักษณะที่เกลียกลาดคือเมตตาจนทนไม่ไหวจนอยากจะเทนจะฆ่าสิ่งอื่นที่มาเบียดเบียนสิ่งที่เรารักเพราะเมตตานี่จะหากมันไม่มีมันมีความกำหนัดอยู่ภายในมันกลายเป็นเป็นราคะไปมันไม่ใช่เมตตาไปรงนน ขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจในเมตตาธรรมนี้จึงต้องมี กัลณามีมุทิตาและยังมีอุเบกขาคอยกำกับไว้ข้างหลังเพื่อจะไม่ให้เมตตานีิกลายเป็นโทษเป็นภัยเมตตาคนนี้จะเกลียดชังอีกคนอื่นที่เขาจะมาทําทําร้ายคนที่เรารักคนที่เราเมตตาจนกับมีขนาดว่าผูกคอต่อแขนผีเลี้ยวมาให้ตาผีแตกมาเตากูจะแดกตาผีผีเบียดให้ผีตายคนเบียดให้คนตายว่าเปนอันดาเข<ม>้าไปอีกทั้งทั้งที่หวังดีต่อคนนี้จะหวังร้ายตัวเ อ, คอกคนอื่นอืม ชูโชก็าหายลับไปกับตาพระเวทสันดอนก็นั่งลำพึงลำพันในขณะเดียวกันนั่นเองเราก้าวเข้าสู่ตรงนี้แล้วมันก็น่าจะพูดถึงเรื่องนางมัทถีไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันตะวันจวนจะพบคัมนะชูโชกแกไม่ฟังเสียงลราข้าเมื่อแค่ไหนแกก็ต้องรีบไปนางมัทถีนั้นตั้งแต่ออกจากบ้านจิตใจของเธอไม่ได้อยู่ในป่าในดงเป็นลืมหน้าลืมหลัง ตามมืดตามวลแล้วก็หูอืดทั้งสองข้างรู้สึกว่าบรรยากาศทั่วทั้งจิมวันตะบันพศก็มืดกลุ่มเป็นควันเป็นหมอกผลพลามากไม้ที่เคยหาได้ก็ขาดแทนหมู่วีหกนกกาที่เคยร้องกันเป็นหมูกกินผลหมากล่างไม้ก็เงียบสาินต้นไม้ที่เคยเป็นหมากสุกโยไปเห็นก็มันร่วงลงวัดแล้วซึ่งกําลังสุกเมื่อวานนี้หาได้จกหยกไปวันนี้ก็เป็นดอกใหม่ขึ้นมาซอน มันเป็นอะไรอย่างนั้นนางได้นิดหน่อยคิดว่ายังไงยังไงพอให้เ ด, ด็กลูกเด็กกินแล้วก็พอให้ได้จังหันาวาไเพราะเอเป็นดอลลิสสีในวันพรุ่งนี้ก็พอแล้วนางก็รีบกลับในขณะที่นางรีบกลับนั้นนางก่อได้ไปพบกับสัตว์สามตัว ในการบัทีนี้มีเก้าสิบพระคาถาก็ไม่ใช่เบาเมื่อนนยาวสัาสามตัวเสือโคร่งเสือเหลืองแล้วก็หราตเสในอนขวางทางระหว่างเขาที่จะเป็นช่องเขาจะเดินเข้ามาที่คิริวงกฎนี้แล้วก็คำรามร้องหนะ่าสะพึพงกลัวยิ่งนักนางตกใจจนถึงขนาดว่าหาพอรหลุดออกจากบ่ากระจัดกระจายไปหมดเลยสัตว์เหล่านั้นก็อยู่แต่ น, น, นอนคำรามย้ะ นางจะไปทางไหนเสียงนี้ก็คำรามรันมันไม่มีทางไปขุนเขาสูงชะโนกชันแล้วมันก็จะมีทางไปเพียงแค่นั้นมันเป็นช่องเขานาวหวาดกลัวยิ่งนักทั้งคิดถึงลูกทั้งหวาดกลัวทั้งหมดนั้นคือเรื่องของเรื่องเทวดาทั้งหลายได้จำแรงแปลงร่างมาเป็นสัตว์สามตัวนี้เพื่อจะกัน้นกลางไม่ให้นางรีบกลับไปถึงอาสมเพื่อเป็นการช่วยเหลือข่องเวลาให้พระเวสสันดรได้ไห้ทานกันหาชาลีให้แก่ชูชกเี่ยจูชกไปรับ สุดสายตาซะก่อนทั้งนี้ก็คือบารมีธรรมนั่นเองเป็นอาว่านางได้อ่อนวอนอยู่เหมือนใจจะขาดแต่ว่าพวกสัตว์ทั้งสามนี้ไม่ยอมให้ผ่านไปจะกินก็ไม่กินแต่ร้องคำรามให้หวาดกลัวสุดท้ายตะวันตกดินเข้าไปแล้วหมูวิหกนกกากลับสู่รวมรังนางคิดถึงลูกมากเลย บัดนี้การหาจารีคงจะรอคอยการกลับมาของแม่คงจะคอยทางเนาะคิดถึงโลกมาเท่าไหร่ก็ลืมตัวเองมากเท่านั้นคิดอยู่อย่างนั้นบัดนี้ลูกคงจะหิวใครเนอจะอาบน้ําให้ใครเนาะจะหาอาหารให้กินนางคิดถึงอยู่อย่างนี้แต่แล้วเป็นนันว่าการที่นางไปไม่ได้เพราะหากมีความหวาดกลัวต่อสัตว์ทั้งสามตัว ตะวันตกดินแล้วเดือนพระจันทร์วันเพ่นก็พอกขึ้นมานวงดาวระยิบระยับบนม่านฟ้าส่งประกายวาวับว่อพอให้มองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มใต้เงาแห่งแมกไม้แต่สัตว์ทั้งสามตัวนี้ก็ยังไม่จากไปยังนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็คำรามรั่นสุดท้ายนางก็เลยนึกขึ้นได้นั่งลงพระนมมือกราบไหวบอกว่าขอให้เทพไทยใน ป่ากเขาลำนาวไพรได้เป็นสักขีพยานได้มองเห็นเหตุการณ์นี้หม่อมชั้นมัตีจากบ้านสีพีเชตุดอนตามเสด็จพี่มาสู่ป่ากเขาลำนาวไพรนั้นไม่ได้หวังอื่นใดเพื่อจะช่วยสามีสุดที่รักสร้างสรันโพธิญาณไม่ได้มีจิตใจอื่นใดนอกจากความซื่อสัตย์จงรักภักดีถ้าหากข้าพเจ้ามัตีได้มีความชั่วในใจแม้เพียงน้อยนิด มีความคิดทุจริตวิปริตออกไปจากทำนองคลองทำไม่เป็นผู้หญิงที่มีคุณงามความดีต่อลูกต่อผัวขอเชิญเพทพไพรทั้งหลายในป่าเขาลำเนาไพรลูกขัดเทวานทั้งหลายได้เป็นสักขีพยานจึงได้ดลบปนดาลให้สัตว์ทั้งสามตัวนี้ได้กินข้าพเจ้าเป็นอาหารข้าพเจ้ามีความชั่วถ้าหาความดีของข้าพเจ้ายัางมีอยู่ดังได้อธิษฐานใจเอเตนะสัจวัชเชนะดุยสัจว่าจานี้ ขอให้สัตว์ทั้งสามนั้นจงหลีกทางให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินผู้ง่ายว่าถ้าเป็นคนชั่ว น, นะก็จะได้ดมาคู่ตะข้อคำรามมาเลยความชั่วทุรนทุรายทรมานเต็มทีทั้งคิดถึงโลกทั้งสรารพัดอย่างทั้งหวาดกลัวทั้งโหยหิวตนเองไม่ได้กินมาตั้งแต่เช้าพอตอนเช้านางกินอะไรไม่ลงเลยพขวงถึงแต่เรื่องแห่งความฟันด้วยสัจวาจานี้สัตว์ทั้งสามก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินลับเข้าไปในป่า ท่านทังหลายลองคิดดูเถิดคำว่าสัจวาจากความสัจจริงอันมีปณิธานแล้วในใจท่านจงตั้งไวเ้เถิดคุณงามความดีที่ทำไว้แล้วประมวลมาเมื่อเวลาเข้าตาจนให้คิดถึงอาดามานีเคยใช้ในสมัยอยู่ต่างประเทศรถเสียอยู่กลางทะเลายรถชาวบ้านรถแทก็กรถฝรั่งพ่านมาบอกคันนี่มันก็ไม่อยู่เพราะเขาไม่มีรถโดยสารบ้าน เมือง น, นั้นต้องการจะขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆไม่ได้เลยอยู่กลางทะเลสายน้ํากินก็ไม่มีแล้วก็เลยนึกขึ้นมาว่าเอะเรานี่เคยสร้างแต่คุณงามความดีตั้งแต่เราโยมเมืองไทยเรามีรถมีลาวิ่งไปเห็นคนเดินตามทางนี่เราจอดรับเชิญเข้าขึ้นโดยเขาไม่ได้โบกเลยสงสารเห็นเขาเดินอยากจะให้เขาขี่ด้วยเพราะเราก็เปลืองน้ํามันเท่ากันเห็นพระรงองค์เจ้าเรายิ้มมีความศรัทธารับพระทรงองค์เจ้าไป แต่บันนี้เราเข้าตาจนจะไม่มีใครรับเราบ้างหรือคุณงามความดีที่ได้กระทํามาสาธุ ข, ขอคุณงามความดีนั้นจงปากฏขอสจวาจานนี้จงสำริดผลรถคันใดคันหนึ่งมานี้ขอให้ได้จอดอธิษฐานใจเสร็จกลางทะเลสายนะยังไม่ได้บอกซ้ำเห็นรถคันหนึ่งวิ่งมาจต่ไก่ลรวมายืนกำลังจ้องดูว่ารถคันนี้คนขับเป็นฝรั่งหรือเป็น แถกหรือเป็นคนชาติไหนพอจะบอกดูหน้าตามีน้ำใจพอจะหยดได้ไหมกำลังยืนอยู่ข้างทางจ้องดูอยู่ยังไม่บอกสักเขาลดความเร็วแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวเข้าลงข้างทางวิ่งกลับมาจอดเป็นฝรั่งเนินชาอาอิตาลี ลองมาถามเลยเป็นยังไงเพื่อนบอกว่ารถเสียอย่างง้นอย่างนีง้แหมเขาลงมาช่วยทําใหญ่ยังไม่พอเอาน้ําแข็งเอาเปปซี่เอาอะไรมาเลี้ยงกันแหมดีเหลือเกินนี่ยนะคุณนามความดีไม่สูนหายไปไหนหรอกโยมเหมือนกับนางมัธย์เมื่อนางเข้าตาจนเขาจริงๆก็อธิษฐานใจเอาคุณงามความดีนี้แหละมาเป็นบรรทัดฐานทหารข้าพเจ้าห ม, ม่อมฉันที่ไม่มีอะไรดีเลยก็ขอให้สัตว์ทั้งสามนี่กินเสถ่์ทหารมีความดีโยบ้างก็ขอให้เลี่ยงทางให้ด้วย ว่าแล้วสัตว์ทั้งสามก็จากไปนางก็รีบทันทีเลยเนยเป็นอย่างนี้รีบเลยคิดถึงลูกมากเท่าไรก็ลืมตัวเองมากเท่านั้นวิ่งบั่งเดินบ้างป่านชนีกันหาชาลีลูกแม่จะมีตั้งตารอคอยพากันมองต้นทางคอยแม่แล้วหรือใครแล้วหนอจะอาบน้ําป่านนี้คงจะพากัน ขิวข้าวแล้วก็คงจะรบกลวนพระบิด า, าพระบิดาก็คงจะทำความเพียรนั่งอยู่ในอาสมลูกเต้าก็คงจะไปแอลไปวอนความวิตกห่วงใจทำให้ปานางนั้นถึงอาสมด้วยพระอาการเหนื่อยหอบทั้งวิ่งหนาตาหมดมองสบตาลายเพราะไม่ได้กินข้าวมาแต่เช้าแต่แล้วก็ใจหายเมื่อพบว่าบริเวณอาสมเงียบเงาลูกน้อยที่ทรงคิดว่าจะนั่งชะเงะเเคอยก็อยอมองไม่เห็น รีบสเสด็จเข้าไปในอาสมของตนเองไปคนที่อยู่ขงตนเองตัดเรียกชาลีลูกแม่ขณาลูกแม่ไปไหนเธอร้องเรียกหาลูกของเธอสุดเสียงก็ไม่พบ ไม่มีเสียงขานรับเลยแม้แต่น้อยตรงไปยังอาสมของพระสามีเฝ้าทูลสักถามพระบรมราชลืสีก็ทรงนิ่งไม่พูดด้วยพระเวสสันดร น, นั่งเฉยเหมือนต่อมาเหตุตึงๆเือหมอบบาสางเว่าวบ่นน้ำควานเดียวกับบอวองมันเหมือนกับไม่ได้ยินถามแลยเหมือนกับคนคูหวกหูถึงเหมือนกับคนนอนหลับสุดปัญญาจึงรีบสเสด็จค้นหาต่อไปอีก ปาก็กู่ร้องตะโกนกันหาชาลีลูกของแม่เอ๋ยนางร้องสุดเสียงไปอยู่ไหนลูกมาหาแม่เร็วแม่มาแล้วเสียงเงียบเสียงสะท้อนกล้องกังวานกลับมากระทบหูของพระนางก็เป็นเสียงของนางเองเป็นเสียงสะท้อนมาจากเวิ้งผาในยามราตารีกันเสียงย้อนดังมาจากเวิ้งผานอนเหมือนพูดพลายจะพากันล้อเลียนเยอะเย้ยช ะ, ย ะ, ยะตากรรองนาง พลานก็วิ่งวนไปตามสถานที่ที่คิดว่าลูกจะไปหลบซ่อนอยู่จนเวลาล่วงเข้ายามดึกแสงจันทร์พางพายจับอยู่บนยอดทึกที่น้ำค้างชุ่มช่ำทำให้แลดูเป็นเงาวาวะ ว, ะวะับเงาตะคุ่มตะคุ่มในป่าเงาแห่งแมกไม้เหมือนเกล็ดน้ำตาของป่าภายัยแสดงความวิโยกโศกเศร้าด้วยเสียงลมปะทะพุ่มไม้ในยามสงัดเกาะ ฟังไปว่าเหมือนเสียงลูกบนพี่ไห่เรียกแม่อยู่อย่างกระซิกกระซิภาวะโลดเข้าไปใกล้พลันทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังก็สูญหายในที่สุดยังย้อนกลับมาเฝ้าพระราชฤาษีเป็นครั้งที่สองทูลถามแต่ว่าพระเวสสันดร น, นั้นก็ไม่พูดจาอะไรเลยนางก็ทูลถามแสนวิโยโกโศกสันสดกำลังถ้าแม้จะมีการตัดแกนางมั่งก็จะ ไม่เป็นการดีพระเวสสัดนดรคิดว่าจะให้นางได้มีความโกรธเอาความหึงหวงเข้ามาหักความโศกให้เสื่อมลงพระองค์จึงเอือ้อนอัดตรัสประพาครั้งแรกว่าจะไม่พูดเนะถามครั้งนี้มันเดึกแล้วจะไม่พูดก็ยังไงหยอในที่สุดก็เลยพูดกับนางโดยคิดว่าจะหาเรื่องด้วยความหึงหวงนี่มาทําให้นางโกรธแล้วความนี่จะไปท้าความลูกให้อารมณ์หนึ่งมาท้าอารมณ์หนึ่ง อันนี้ควนจะต้องทําความรู้จักจิตใจดวงเดียวอันนี้มันไม่เกิดพร้อมกันทั้งความโกรธและความโศกเศร้าทั้งความรักและความชังเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้เมื่อความรักเกิดขึ้นความชังก็ตายไปเมื่อความชังเกิดขึ้นความรักก็ตายไปเมื่อความโกรธเกิดขึ้นอารมณ์อื่นก็ตายไปเมื่อความโศกเกิดขึ้นอารมณ์อื่นก็ตายไปมันมีเกิดมีตายในหัวใจดวงนี้ ท่านจึงกล่าวว่าเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปทุกขังชาติปูณ น, นับปุ น, นังเกิดทีไรเป็นทุกข์ร่ำไปนักที่ทุกขังาชาติตระความทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดคือเกิดทางใจโยมลองทำใจไม่ให้มันดีใจไม่ให้มันเสียใจให้มันเฉยเฉยให้มันว่างว่างดูเป็นจิตว่างว่าง ตรงนี้ไม่มีความทุกตกนะโยมนะทํายังไงจะเกิดจิตว่างนี้ได้พระพุทธเจ้าสรร เ, เสริญที่สุดอสุนโยโลโกนี่อรหันเตหิอัฏะโลกไม่ว่างจากเพราะอรหันต์ถ้าทำจิตอย่างนี้ได้ถึงพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกกับโมฆะลัทธ์ให้มองโลกเป็นของว่างว่างว่างว่า ง, างจากความรักความชังเอาเป็นั้นว่าผ่านไปพาสเวสันดรนี่ก็หันมาพูดกับนางพูดถึงตรงนี้บอกว่า เมื่อตอนเช้านางจะจากเข้าสู่ปาราดงผงผัยนางได้พร่ำลำพันฝากลูกปานใจจะขาดตายไปแล้วก็กลับมาฝากสั่งลูกแล้วก็สั่งผัววนไปเวียนมา ก, กว่าจะออกจากอาสมได้เอื้อนอ้ อ, อ, อยตรงนั้นไปแล้วก็กลับมาสั่งสั่งแล้วก็จากไปกลับมาสั่งกว่าจะไปได้ด้วยความยากลาบากเธอเสแส้งแต้งทาเหมือนเธอรักลูกและผัวปานจะตื่น แต่เสร็จแล้วเธอต้องเขียวคำยำคืนมาจากมากับแสงเดือนแสงดาวเธอคิดว่าเราไม่รู้เห็นว่าลือีชีภัยเป็นคนโง่เสาะฉันรู้หรอกนาเธอไปทำอะไรในป่านในเขากับลือศีองอื่นหรือเทพปยาทรนี้ละนะน้ำใจจริงออกมาแล้วอยู่ในป่านในภัยไม่ถึงปีหกเจ็ดเดือนเท่านั้นจิตใจเธอก็เปลี่ยนแปลงไปแน่ว่าเขาไปนั่นในกันนี้คนอีสานบ้านลาเทศเรียกมาฉีกันสาม ปะโตว่าขึ้นมาลวดปะโตว่านาั่งก็มาแต่เสานั่งดวนเขาแสวงหาดวงพระลาหลกใหม่เอามาไหวใส่แรงง่ายจีมีทั่งวันนี่นั่งเคี้ยวคืนเขามาคำเคี้ยวคำเขามาเหื่อน้วยรัศมีเดือนดาวดูหยาห่อยว่านั่งเล่นหลากไร้ปราะการในปาหิมพผ่านแหลงหลายยอมมีคนแกวกาทต่ดีลี คือละตีแลผ่านตาคนหายกลัวทิพย์พญาถอนพระเน่จรเดินปตาใหม่เขาไก่แล้วกะก้าวมาหย่าลิ้นสองตามือกัวขวัก ว, วาดจีกิวฝาดหนึ่งนั้นเมนมานั่งกระทาการตันใดไพกระบอมีหมูเมนมานางในหลักเห่ินูสไพกระบอมีเห็นบัดนี่ย่างมากกังวลยู่แจ๋วแจ้วแจ๋วแจ้วให้ยฮะสองลูกแก้วว่าเซดายเด้อวันทัน มาเอ้ยสั่งตีนี้จากเถือนพอเถือนนั่นว่ามีไม่ไพ่ไม่ไรไม่บงหงตีนี้จากสาพอสานั่นว่ามีดอกบัวปูญิงทั้งหลายตีนี้จากผัวพอผัวนั่นว่ามีเอียงจะสิงความจา 4, าังสี่พันวอกไหวก็ม้าได้แกนาดไถลสมาธิมีกาเป็นผัวหนึ่งเมื่อเดียวก็ยังได้หูห่างเป็นพญ่าเจ้าะสั่งยังได้ย่างทั้งตีนท่านวางไปยังนี้ท่านเล่นเซ็มก็ใช้เวลายากนานพระนางเสียใจมาก ดูหรือเราได้ยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่เปิดโอกาสให้แต่งงานกับชายอื่นในสีพีเชิตูดอนหรือให้กลับประโยคมัตราแล้วมีโอกาสมากเรายัางไม่ทอดถิถ้งพ่อรักหัวสุดหัวใจแต่กลับมาแล้วความจงรักภักดีดูสิมองไปเห็นคุณค่าของเราเลยนางเป็นก้อนก็มาจกอยู่ในลำคอสุดที่จะเอ่ย อ, อ้างขึ้นมาได้นางร้องได้คาเดียวว่าพระเจ้าพี่แค่นั้นเองแล้วนางก็สลบ สิ้นสติสัมปรอดีนางก็หมดความรู้สึกเพราะว่าความเสียใจที่ผัวเข้าใจผิดและเสียใจที่คิดถึงลูกตาดวงตาและหัวใจประดังประเดกันเข้ามานางก็เลยทนไม่ไหวในช่วงนี้เองที่ถูกประชดประชันที่แสบเผ็ดสำหรับคนรับผิวบางหรือกุลชนที่ได้รับการอบรมมารยาทอย่างดีแต่ถ้าจะใช้หู อย่างสามันฟังกันแล้วว่าจะรู้สึว่าไม่มีพิษสองเท่าไหร่นะสำหรับพนางมัตรีนั้นนับว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดจะทนทานได้ถึงกับลืมลูกไปชั่วขณะความเศร้าอะไรหายไปมีแต่ความเจ็บความอายอัปยศอดสูเข้ามาคลองแทนนับว่า สมความมุ่งหมายของพระเวสสันดรเพราะการที่พระองค์กล่าวปนามมธีด้วยคำหยาบและดูมิเกียริศักของกุลสตรีเช่นนี้ก็โดยประสงค์จะเปลี่ยนอารมณ์ของะนางให้คลายเศร้ามาเป็นความอายและเจ็บแทนพระองค์ทราบดีว่ามมธีเป็นผู้หญิงที่ถือตรวจถือคุณงามความดีมี ความยึดมั่นในศักดิ์ศรียิงและภาคภูมิใจในความเด็ดเดี่ยวไม่ละเลในบุรุลดเมื่อมาถูกประนามจากคนที่นางจงรักพักดีเข้าเช่นนี้ก็มีผลทาให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปความโศกเสื่อมส่างสงบจิตเพราะเจ็บใจจึงก้มพระเศียรบกราบไหว้วันทาพลางนางทูลสนองพระบัญชาว่าพระพุทธเจ้าค่ะควรไี่ควรสุดแท้แต่พระองค์จะทรงกรุณาโทสานุโทษเป็นล่นกล้าว ด้วยข้าพระพุทธเจ้ากลับมาเวลาค่ำทั้งนี้เพราะเป็นกะลีในไพยสันศึกษาทุกสิ่งในสารพันก็แปลปวนไปทุกประการทั้งพื้นป่าหิมะ า, านเกาะมันว่นไหวไ ป, ไปอยู่วิงเวียนเปลี่ยนไปมืดมองไม่เห็นสิ่งใดข้าพระบาทนี้ร้อนรอนไม่หยุดหย่อนแต่สักอย่างเดียวแต่เดิมมาก็บังเกิดประหลาด ลางขึ้นในกลางพนาลีพบปยาราชสี 2, สองสามเสือสัตว์จะกัดหน้าก็ไม่กัดมาไม่ได้ทอสิ้นแสงอนนไทจึงได้ขลาเคลื่อนใช่จะเหมือนพระองค์ทรงดำฤทธิ์นั้นก็หามีได้พระเวสสันดรก็พูดต่อไปอย่ามหาเรื่องพูดฉันรู้แล้วล่ะราชสีลหรือสีองอใหม่อยากแกล้งทุกวันทำไมไม่มีราชสีหรือสีองใหม่หรือว่าทิพยารองค์ใหม่ นางเก็บชำน้ำใจในที่สุดนางก็สลบไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้โอโอใครจะอาพับจะพิกลเหมือนอกของมัตถีไม่มีเน่หน้าที่จะทรงทรงสารตังเวทปรดปานีว่ามัตถีนี้เป็นข่าเก่าอยู่จริงจรงชงคลอยติ้งปริพาดได้ลงคอไม่คิดเลยนางสลบไม่มีสติสัมปะดีหลับสนิทเหมือนกับคนนอนหลับดีๆนั่นเองเสร็จแล้ว ขเวศสันดอนมีสติกลับเข้ามาคลองกันในความรู้สึาวาบัตหนีเราได้ทรมานนางมากซะแล้วก็ลดองลงไ ป, ไปไปอุ้มออกมาทีโอ้ยตายเลยน้องบัตหนีเซื่เนแ็จแล้ ว, นะลวขเวศสันดอนไดเอาน้ำมาประพรมนางให้ฟื้นตนื่นขึ้นมาด้วยความรักและความสงสารที่ได้ทรมานนางมามาก นางรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่ตอตนเองเด่นนอนอยู่ในตักของพระเวสสันดรนับนะแต่สะดุ้งตื่นจากบันถมนะ่ะนางเห็นอย่างนี้แล้วนางก็เลยรีบทลันออกจากตักของพระเวสสันดรด้วยสติกลาบลงแล้วก็ระล่ำระลักถามหาลูกลูกของเราไปไหนลูกของเราไปไหนดูนี่คืออารมณ์ของแม่แม่จะสงบสิ้นใจฟื้นขึ้นมาอารมณ์แรกก็ปอยู่ที่ลูกอีกแล้ว นางตลอไปเพราะหวงลกูกฟื้นขึ้นมาเพราะความรักของโลกที่ทาม พระเวศนดรนั้นอดกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวว่ากันว่าลำพึงลำพันอยู่จนอ่อนใจถ้าหางนางตายหรือว่าสิ้นชีวาสวรรคตโคตอยู่ที่ศรีผีเชิดตูดอมก็จะได้จัดการกับศพอย่างยิ่งใจแต่บัดนี้นางมาสิ้นชีวิตอยู่ปล่าภัยก็คงจะมีจต่เสียงจ้จกระจันเรไรเป็นเครื่องดนตรีขับประคองลำพึงลำพันเอาน้ำมาลดมาเป่ามาส่งหนางก็เลยเฟินขึ้นมาและก็ถามหาลูกต่อพระเวสันดร ก็เล่าให้ฟังว่าบัตรนี้ได้ทานให้แก่ชูชกไปแล้วนางได้ยินอย่างนั้นแทนที่นางจะโกรธจะเสียใจกับลูกขึ้นกล่าวแล้วก็พนมมือสาธุอนุโมทนายินดีด้วยกับโพธิญาณขอให้การให้ทานครั้งนี้จงเป็นปัจจัยแก่โพธิญาณแด่เสด็จพระเจะลือสี พระองค์พี่นั้นตามความปาถนะด้วยเถินพื้นแผ่นดินทนไม่ได้ต่อความรู้สึกอันเป็นบุญศรัทธายิ่งใหญ่ได้วาดวันไหวเสียงเทพเจ้าทั่วทั้งหิมวันตะบันทธก็สาทุกการกับนางนี่เห็นไหมเป็นอันว่ากันมืทีที่มันได้จบลงเพียงแค่นี้หลังจากนั้นมึงก็ว่ากันต่อไปว่าชูชกนั่นได้เดินทางไปตกตอนเย็นก็ไปแขวนไปนอนบนยอดไม้ไปถึงทาง ใส่แพ่งก็ไปแขวนเปนอนบนยอดไม้จาได้ว่าตะวันมันตกดินทางนี้ตะวันมันขึ้นทางนี้กรุงศรีพีเชิตุดร อ, อยู่ทางโน่นนครกะลิงกะลัดอยู่ทางนี้พุ่งนี้ถ้าเกิดหมืดฟ้ามัวฝนไม่รู้จากทิศ ท, ทางเราอาจจะหลงทางก็ได้ก็เลยขึ้นไปแขวนเปนอนเราจะต้อง หันหัวไปทางบ้านเราเดินมาเวลาใดบ้านเราก็อยู่ทางหัวนอนเราเวลานั้นแผลนอนแล้วก็ผูกเด็กสองคนไว้ใต่ร่มไม้มันจะไปไหนนะคิดว่าเสื้อสางขางลายมาให้มันกินเด็กสองคนส่วนชูชกนั้นสบายนอนสิอยู่ปลายไม่ยุงก็ไม่ได้กินส่วนเด็กสองคนนั้นทั้งริ้นไหลเหลือบยุงต่างๆเกมเต็มไปหมดและบังเอิญมีเทวดา สองตนเนและมิตนเองเป็นพระเวสสันดรและนางมัธยีมาโอมากราดมาไล่ยุงให้สองกุมารได้นอนหลับเรื่องความสุขชูชกก็หลับอยู่บนยอดไม้ไกลห่างจากเหลือบยุงรินไหลแล้วในคืนนั้นก็เทวดานั่นเองได้จับหัวชูชกหันอีกทีหนึ่งหันไปทางกรุงสีพีเชิดตัวดรนพุ่งนี้ให้ชูชกลงทางเข้าใจว่าทางโน้น เป็นบ้านการิงคาลันจะได้เดินทางไปก็พอดีไปเข้ากรุงศรีพีเชตุรนพอดีพญาสนชัยก็จะได้พบได้เห็นนี้แล้วนะเรียกว่าคนดีถีคุ้มคนดีพวกเทวดาฟ้าดินท่านก็นดูแลอยู่อย่างนี้ขอให้สร้างคุณงามความดีไว้เถิดโยมนี่คือบารมีของพ่อ ของแม่คอยคุ้มกันบารมีที่เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอย่าได้คิดว่าความดีนั้นจะไม่สำลิดพ้นแม่แต่เทวดาก็ยังพนอยู่ไม่ได้ต้องมาช่วยเหลืออย่างนี้และในคืนนั้นเองพระเจ้าสีพีลาดคือปยาสนชัยที่กุงเชตุดอนครสีพีนั้นคืน CP นั้นพระองค์ก็นอนหลับฝันแปละฝัน วันว่ามีคนคนมีคนคนหนึ่งเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งกําลังแย้มบานอีกดอกหนึ่งกําลังตุ้มๆพอได้รับเท่านั้นเองพอรับเทน่านั้นเองดอกบัวที่แย้มบานนั้นก็ร่วงโรยลงมาในอุระในอกร่วงโรยลงมาแล้วก็หอมกลืนไปหมดเลยทั่วทั้งพระบรมมหาราชวางังดอกตุ้มๆนั้นก็แยม้มแย้มบานแ ล, ล้วก็ร่วงโรยเป็นกินเกสรลงในอกอีกแล้วก็หอมกลืนตื่นขึ้นมาก็พอดีให บอกหมอโหนประจำราชสําสนักมาทํานายโหนในสํานักบอกว่าจะมีคนสุดที่รักที่จากไปนั้นสุดหัวใจจะได้มาให้ท่านพบได้เห็นเป็นยอดบุญยอดขวัญตาขวัญใจทีเดียวไม่เชื่อก็รอคอยดูนี่ความฝันมันมีสองฝันสามฝันนะในเรื่องนี้นาะงมัทีก็ฝันว่าฝันเขียวน้กนากระงนานอันนี้ก็เรียกว่าบุพพันิมิตรานี่สุปินังปัสสติเทวดาฟ้าดินท่าน บันเป็นบุพนิมิตจากบุญกรรมหรือบางทีก็เป็นเทพสังขอนมาให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอันว่าเราผ่านไปทั้งกุมารทั้งน่ะเรื่องมัชชีแล้วก็เข้าสู่สักกบันสักกะแปว่าชื่อของพระอินบับพะไปว่าบทบั่นบั่นว่าด้วยพระอินทโจบทบันสักกบันบั่นมวนมาที่บั่นมวนท่ามหานหัแก่ภามหนาแต้ยอย่างน้ํำภาพหาขัว้าหากีผีล่นมาผจญน้ําสักสองจูงดังงู เอาเป็นว่าห่านไปเข้าสู่สกบัญชีสิบสามพระคาถาบทนี้เกี่ยวกับเรื่องพระอินพื้นแผ่นดินวาดวันไหวเขาสินเนนุราชสันสะเทือนบ่อยครั้งพระอินก็ชักจะตื่นตัวว่าเอ๊ะทาไมแผ่นดินนี้มันวาดวันไหว บ, บ่อยๆเขาสินเนนุราชนี้สันสะเทือนบ่อยๆก็ทรงทอดพระเนตรดูเหตุภัยก็เลยแจ้งใจในพระเวทสันดรหวังนั่นนาแม่นี่ให้ทัน ลูกให้ทานสิ่งของถูกขับไล่มายังไม่พอต่อไปนี้จะต้องให้ทานเมียแน่ๆทายัางนั้นเราอดไม่ได้แล้วที่นั่งของเราร้อลนกระวนกว歪สงสารเหลือเ ก, กินเราจะต้องรีบไป ไปขอน้ามาทีนี่แหละซะก่อนปลอมตัวเป็นพามไปถ้าหากเราไม่ไปชิงขอซะก่อนคนอื่นจะมาขอเอาอีกเดี๋ยวชูโชคมันกลับไปนู่นเดี๋ยวมันไปบอกคนอื่นพามอื่นก็จะมาขอเดี๋ยวก็จะให้มาทีนี่ไม่ควรฆ่าแกชายใดในโลกควรแก่พระเวสสันดรคนเดียวเท่านั้นในที่สุดก็เลยรีบมามาปลอมแปลงตนเองเป็นชูโชคภาคสองเป็นพามแก่อีกคนนึงเข้ามาหาพระเวสสันดรพระเวสสันดรมองเห็นว่าเอ๊ะเนี่ย่างไงเนี่ยวะเนี่ยฮะ มาจากไหนเนี่ยมาถึงกี่มากราบประว่ากับผมเป็นทผลิตเทวเป็นคนทุกคนอยากไล่ตั้งแต่เกิดมาทุกอยางลาบากขอทานเขาขกินอยู่ตลอดการยังไม่พอตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีลูกไม่มีเมียกับเขาเลยทยํายังไงจะมีบุญวัดาสนาอย่างน้อยมีเมียกับเขาสักชาติหนึ่งสักคนหนึ่งกี่ไายทายเปเป็นกี่ลิ้วขี่เล่แม่ร่างนางใหม่เป็นเศษของใครก็ตามเถิดแม้จะเป็นเศษเป็นเด่นนางลมชั้นต่ําๆจากตอกมุมสกะกบตกไหนก็ยังไม่เคยได้พบได้ผาน บอกภาษาบ้านเฮาปรเคยพอน้ำค น, นเด็กเคยเนี่ยเหนังไว้่นขอให้พระองค์นี่ผู้ปาถนาโพธิญาณ น, นั้นได้มอบนางมัธยีนี่ให้แก่ข้าพระองค์รวยเถิดพระเวสสันดรเมื่อได้ยินดังนั้นคําของคนของของคนยากและคําขอร้องของคน ข, ข, ข, ขัดเป็นเสียงเพลงสวรรค์ของนักบุญพระเวสสันดร น, นี้ก็ดีใจตกลงสาทุผามท่านจะต้องได้ดังปาถนาเราจะมอบให้แน่นอนวันแล้วก็เอาน้ําเต้ามาเลยจะ หลังน้าท่านแล้วได้หยาิน้ำบุญศิขำทรงน้ํำมาทันจะตรวจน้ําจะยกน้ำวันที่นี้ให้แก่พามแต่ปรากฏว่าลืมนึกไปว่าเออเราเนี่ยเหมือนกับเขาไม่มีหัวจิตหัวใจนึกยังไงใครบาขอก็ให้ยังไม่ได้ถามนางสักหน่อยว่านางจะยินยอมหรือไม่เพราะความจริงนางก็มีหัวจิตหัวใจไม่ใช่พะอิดพะปูนอะไรเนี่ยพอคิดเท่านั้นเองเหลือไปดูนางทั้ง คาเร็วสูงเลยมันจบลงดังกล่าวแล้วพอเหรือไปมองดูนางมัททีเพระว่าตนเองนั้นไม่ไม่ได้ขอลงแล้วก็ไม่ได้ถามนางซะหน่อยเลย ย, ยกให้ยกให้ไม่ทราบว่านางแกยอมให้ด้วยหรือไม่นางมัททีนั้นมือกับรู้ใจของอาราชลือสีผู้เป็นสวามีก็เลยบอกว่าสเสด็จพี่อย่าได้ข่วงหม่อมฉันเลยมัททีพร้อมจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนาวา ให้เสด็จพี่กีเป็นสู่มหานารพานสัมมาสัมโพธิญาณนูน้นจะได้ห่วงหาอาไรห่วงยยอาวรเลยจงยกมัดทีให้เถิดไม่ต้องค่วงมัดทีเห็นด้วยอนุโมทนาหวานแล้วก็มือหนึ่งจับแขนนางมัดทีอีกมือหนึ่งก็จับต่้มเต้าน้ำที่เรียกว่าน้ำเต้าทองสวรรณพิงคาร น, นั้น หลังลงในมือของาพามและอธิษฐานใจสาธุด้วยเดชแห่งการให้ทาละเป็นทานให้เมียเป็นทานแล้วให้หลูกเป็นทานแล้ววันนี้ให้เมียเป็นทานขอจงเป็นปัจจัยแก่พานิพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเถินมเมียของเราลูกของเราเรารักปานดวงตาปานหวัวใจแต่เราหมออไพ้เพราะต้องการสิ่งที่เรารักยิ่งกว่านี้คือผดใหญ่ ฟ้าดินสถานจะเคือนทนไม่ไหวก็เลยวาดวันไว้อีกครั้งหนึ่งเทวดาฟ้าดินอนุโมทนาสาธุการเข้าตอกดอกไม้โปรยไปลงมาจากสวงสวรรค์ทั่วทั้งฮิมวันตะบันพุทธหลังจากนั้นชูชกภาคสองก็ชื่องามวันทีออกไปต่อหน้ายังไม่พอ กอดพนางเลยทำท่าจะจูบจะลูบจะคำจะทำปูยปูยํำสะต่อ น, น้าเลย เ, มเหมือนหื่นกระหายสแสดงอาการเพื่อยัอย่วยวนจิตใจของพระเวสสันดรว่าพระเวสสันดรจะมีความรู้สึกอย่างไรสมัยก่อนนู่นชูชกจูงลูกตีไปต่อ น, น้ายังคว้าพระ ข, ขว้าเอาพระสอนเลยสอนใจใจยิงถามแต่ช่วงนี้จะคว้าอะไรตาก็ว่าพระเวสสันดรมองดูเหมือนดูก่อน ก่อนอิด ก, ก้อนหินเหมือนดูต้นไม้ต้นไหลเฉยๆนั่นผัว ก, กับเมียเขาจะทำอะไรกันก่อช่างเขามันเป็นสิทธิ์ที่ของเขาเราได้มอบไปเขาแล้วนี่คืออูเบคามีพร้อมเสร็จจิตใจของท่านในชว่วงนี้แข็งแกร่งเพราะเมื่อก่อนนั้นให้ลูกเป็นทานชูทชตีไปต่อนหน้ายังคนไม่ได้มือคว้าใส่ฝอา่ายตั้งใจจะยิงพามบอกว่าพามชั่วชา้าแล้วโหดโชชั่วชา้าเลยจไหมาตี ปลกูกตอนหน้าพ่อตีปาต่อหน้าใสแล้วมาอยู่ปาดงพงไพมาแต่ตัวก็หาไม่ธนูสินส้อนชัยก็ถือมาคว้าธะนูมาจะยิงให้ขาดกัน ก็เลยมีสติวิ่งเข้ามาตัดอารมณ์ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเวทสันดอนเนี่ยมันกงการอะไรของเจ้าข้ากับเจ้าบ่าวกับนายเ็จะเค้นจะฆ่าเขาจะตีดีโบยกันเป็นเรื่องของเขาเจ้าอยู่เฉยเฉยไม่ใช่เรื่องราวอะไรของเจ้าสติมาทันก็เลยปลดชนวนมันออกตรงนั้นแล้วสตินั้นก็สูงขึ้นสูงขึ้นเพราะการฝึกตนความยิ่งใหญ่ของสติเป็นมหาสติมหาปัญญามาถึงช่วงสุดท้ายศกบั น, นี้ พามภาคสองี้เอานางมัธีไปต้อนหน้าไปกอดไปจูบทำท่าคืนกระหายร่านสว่านจะพิศวาตกันต้อนหน้าจะแฮปปี้กันอยู่ตรงนั้นพระเวทตนดอนมองเห็นแล้ววางไก่ไว้ใช่เหมือนดูก่อนอิฐก่อนหินดินตายแบบมีความรู้สึกลักชังอะไรนิริวสติสัมปชัญญะมันมาทานันแต่เสร็จแล้วาพามคนนั้นก็สลรใไวางนางมัีแล้วกลับมากลบบอกข้าแต่มหาราชเจ้าราชเลส นางนี้ควรที่จะเป็นรัตนนารีแก่รัตนบุรุษมหาบุรุษผู้ยิ่งยอดคือพระองค์เท่านั้นไม่ควรเลยที่ข้าพระองค์จะไปเจ๊ไปสมเอาไปเป็นลูกเป็นมีอมันห่างไกลเหมือนฟ้ากับดินนูน่นเพราะเหตุนั้นกับผมได้คิดดูแล้วจึงขอฝากไว้คืนไว้สะก่อนขอให้พระองค์ได้รับนางนี้ไว้แล้วก็ขอบอกไว้ว่าถ้าบูไดจะมาขอต่อไปอีก ห้ามให้คนอื่นเด็ดขาดเพราะถือว่าผมเป็นเจ้าของแต่ในนี้ผมมอบไว้กับท่านท่านจะทําอะไรจะใช้การใช้งานพานางนี่จะทําเป็นลกูกเป็นเมียอย่างเกา่าก็ได้ผมไม่ว่าอะไรแต่ห้ามมอบให้คนอื่นได้จะให้คนอื่นต้องให้คิดถึงผมผู้เป็นเจ้าของที่เว้นคืนในขณะนี้นี่หมายความว่าประกันเอาไว้แล้วประกันไว้ไม่ให้ไปให้ใคร เพื่อต้องการความเมตตาปาณีจะให้เกิดมีความสวัสดีแก่พระนางมทัทีอันนี้ก็เลยว่าบุญอันหนึ่งคุ้มครองคนดีทำคุณงามความดีมาตลอดนั้นเทวดาฟ้าดินท่านเห็นคนด้วยกันไม่เห็นผีสางเทวดาก็เห็นคนที่สร้างคุณงามความดีก็มีคุณงามความดีคุ้มครองอย่างนี้เลยนางมัทีจ่จ้า พระอินนี่ไม่แปลงร่างมาเป็นพามมาขอไว้สั ก, ก่อนไม่นานนักคนอื่นก็จะมาขอไปนางก็จะตกต่าระยำยากทุกยากลําบากแต่นี่ด้วยอํานาจบุญเดือดร้อนไปจนถึงพระอินพระอินกันเลยมาขอไว้เมื่อขอได้แล้วก็มอบเวรเขินให้แล้วก็วาจาผูกมัดเอาไว้ให้คนอื่นไม่ได้นะถ้าให้คนอื่นต้องให้คิดถึงว่าเจ้าของเขามีคือผมนี่แต่ท่านอยู่กับท่านนั้นท่านจะใช้ทํำยังไงก็ได้เป็นเรื่องของท่านเมบไพร ทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดพามแก่คนนี้ก็บอกว่ากับผมเนี่ยจะขอลาท่านไปแล้วล่ะผมไม่ได้พามธรรมดานะเป็นสกปรพรมามหวานและก็สแสดงตนให้แก่พระโพธิสัตว์ให้ทราบชัดตามเป็นจริงว่าข้าพระองค์นี้หาใช่าใพามหนาชาติชั่วช้าไหมมาจากทิภพจสถานและก็แปลงกายกับเพศเป็นเท้าสกเทวลาลอยขึ้นเหนืออากาศ เป่งรสมีโอภาสดุดดวงที่วากอนยามจะรับขอบโลกนยอดเขายุคขัน t h o แล้วก็เปลงว่าจะประธานพรชุดแต่พระโพธิสัตจะเห็นชออแปดประการบอกว่าท่านต้องการพร อ, อะไรขอมาเถิดผมจะให้พรท่านแปดการพระเวสสันดรก็เลยลำดับนั้นก็เลยทรงชื่นชมต่ออาคันตุกะผู้หน้าอาศาัศจรรย์เมื่อจะขอพรต่อเจ้าจอมอมรินปิดสวรรค์จึงตักวา ขา้าประจาคืออาตมาเนี่ยถ้าโยมจะให้พรจริงจก็จะขอสักแปดพรดังกล่าวแล้วหนึ่งขอให้เสด็จพ่อได้ระนับความโกรธแทนจะได้ยก ย, กยกประยุหาแสนยากร อ, ออกออกมาเข่นค่าและก็ให้ยกประยุหาแสนยากร น, นั้นมาตามรับเสด็จคืนสู่นครเสวยสิริราชสมบัติต่อไปข้อที่สองเมื่อได้รับอภิเศกเป็นกษัตริย์ดังเดิมแล้ว ขอให้ข่าพระองค์ข่าวลระเจ้าได้ปล่อยนักโทษผู้มีทุกข์จากเครื่องจองจำข้อที่สัขอให้ได้ทำนุบบำรุงพระศกในกองไพ่า้าอาณาประชาราษฎรทุกเพศทุกวัยโดยปัจจัยไม่รู้จะขาดแขนทานปันต้กระบอกให้ บ, บ, บดข้อที่สี่ขอจะได้รู้อำนาจความอยากที่เกิดขึ้นกับมาตุกคำใดจะได้เพลิตเพลใ จ, จประกอบธารกรรมยินดีต่อมาทีนางเดียวตลอดชีพ ในธานารายเคยอธิษฐานกันบ้างไหมผู้ชายสาธุทอนขอผู้ขายจะไม่มีใจหักผู้อื่นผู้แพ่งนอกจากเมียผู้เดียวเหมือนพระเวทสันดอนเนี่ยจิตใจเหมือนน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำต้องอธิษฐานต้องตั้งใจไว้ให้นางฟ้าเขียวเขียวลอยมาจากสวรรค์อัปสรเป็นแฟนนางก็จะไม่สนใจเท่ามีเราคนเดียวให้มันเป็นอย่างนี้ข้อที่ห้าขอให ทั้งพระโอรสธิดาจงมีอายุยืนนานยิ่งยงด้วยอำนาจดารงแผ่นดินด้วยทศพิตราชธรรมเมื่อพ่อสิ้นชีพข้อที่หกเมื่อกลับสู่เมืองสีผีเชตุดอแล้วฝนทิพย์ที่มีเม็ดเป็นแก้วเจ็ดประการจง ต, รตกลงมาในมหาคนครจะได้หาดข้อที่เจ็ดขอให้มีจิตใจมั่นของไม่เปลี่ยนแปลงต่อศรัทธาทานบริจาคทรัพย์ที่เป็นปัจจัยอยู่ไม่รู้จักสิน้นข้อที่แปเมื่อดับขันแล้วว่าในอุบัติบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตและจุติ สู่ปัจชาติเป็นมนุษย์โลกใดบรรลุปรมาพิเศษสัมมาสัมพธิธญาณสมเด็จท้าวสหัสเนเนตสงกมหนดทุกพรอแปดประการแก่พระเวสสันดรแล้วก็อธิษฐานประทานอัตวระอราตาตามเจตนาดังนั้นสาธุขอความปาถนาของท่านจงสำเร็จสิทธรรมทุสิทธรรมทุสิทธรรมทุเทอดว่าแล้วกันส ก, กบันมันก็จบเพียงแท่นี้มหาราช หกสิบเก้าเราเร็วกันหน่อยมันนี้ไม่รอแล้วมหาราชก็กล่าวถึงพญาสนฉับพญาสนชัยแห่งกรุงศรีพีเคตุดรดังกล่าวแล้วเมื่อกี้เราพูดเกินของกันมหาราชไว้แล้วกันมหาราชไว้ก่อนว่าในคืนนั้นชูชกได้หลงทางเมื่อเทวดาจับหัวหันแล้วพระเจ้าสนชัยก็เลยฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งตุ้มๆดอกหนึ่งกําลังแย้มบานพอรับก็ไปดอกที่บานนี่ก็ ร่วงโรยเกสศลงในอกและก็หอมกลุ่นไปทั่วพระบร ม, มาราชวังส่วนดอกที่สองนั้นพอรับไปก็แย้มบานแล้วก็ร่วงโรยสู่อุระสู่อกอีกหอมกลุ่นทั่วพระบรมมหาราชวังเตืง่งขึ้นมาให้หมอฮนมาทำนายก็บอกว่าโอ้คนสุดที่รักของท่านสุดหัวใจจากบรรนานจะกลับมาให้พบให้เห็นเป็นแน่แท้นี่เริ่มต้นอย่างนี้เสร็จแล้วพอตอนใส้สายมา ชูชกก็หลงทางนึกว่าจะไปเมืองคาลิงคราชเทวดาจับหัวหันก็เลยเดินไปโน่นศรีพีเชตตุดรเทวดาปังหูบางตาพวกนายทวาลบานพวกคนเฝ้าประตูไม่เห็นพอให้ชูชกเดินผ่านเข้าไปโน่นถึงนี่นหน้าพลานหลวงบุบบรมมหาราชวังพระจ่าสนใจนั่งอยู่หน้าพลานนั่นเลยมองเห็นเอเด็กเล็กน้อยสอ ง, องคอนนี้เคยเห็นมาจากไหนว่ารู้สึกจะคลับคล้ายคลับข่าวหวางนันนต่นะในที่สุด มันก็เลย ดูไปดูมาอ้าวนี่มันล้านเราในวาก่อนวิ่งลงไปหาไปทำอุ้ยกันหาชาลีหลานลักมาแล้วปู่คิดถึงเหลือเกินใครพาเจ้ามาเนี่ยเออวิ่งเข้าไปแต่หลานสองคนนั้นไม่ยอมให้กอดบอกสเสด็จปู่อย่าได้มาใกล้หม่อมชั้นเลยหม่อมฉันเป็นคนยากคนจนหม่อมฉันไม่ใช่ขัตติยราชเป็นคนไม่มีโค้ดนอนปลายตีนอยู่ในป่าเขาลําเนาภัยวันนี้พกยาจกคนยากจนโถ่หลานลักของปู่ทําไมพูดอย่างนั้น ใครพาเจ้ามาอันนี้คือคุณตาชูชก ชูโชตอนนี้ตกใจนี่มันอะไรกันแน่ว้ยกูเดินมาอย่างไรเข้ามาถึงเนี่ยก็เลยสั่งทหารเลยพระเจ้าสนใจก็เรียากทหารจับไอชูโชคนีนไปเอาเด็กสองคนนี่มาจากไหนมึงไปลักมาใช่ไหมชูโชคบอกวาไม่ได้เอามาผมไปขอมาเป็นไปไม่ได้ใครที่ไหนเขาจะให้ลูกให้เต่ามึงต้องไปลักมาแน่แน่มึงจะต้องหัวขาดในวันนี้ชูโชคบอกว่าไม่ใช่ผมไปขอมาไม่เชื่อได้ถามเด็กสองคนนี่ดู ด็พยาสนชัยวงไปหาใครเป็นพยิงพยานว่าใครจะให้ลูกให้เต่าไม่ใช่ผีบ้าลูกในดังดวงตาดังหัวใจมึงว่าของมึงเอาเองไปลักมาชูชกก็จนใจไม่รู้จะเอาใครมาเป็นพยิงพยานก็เลยชี้ไปให้ถามเด็กสองคนนั้นดูในช่วงนี้หลยยอมเอ๋ยเขาก็าไม่มีคนถามก็าถามเด็กๆสองคนนี่ก็บอกบอกจริงดังที่ชูชกว่าเพราะว่าเสด็จพ่อได้มอบให้แล้วก่อนที่จะมอบให้ยังตีราคา ให้หม่อมชั้นนี่ผู้ชาลีนี่ทองพันช่างคำพันช่างส่วนกัญหานั้นถ้าใครอยากได้จะไถถอนต้องช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวบ้านหนึ่งร้อยหลังรถหนึ่งร้อยคันแล้วก็ยังมีทาศีธาซาอย่างละร้อยเงินอีกอย่างละพันช่างพันช่างทองคำว้าถึงขนาดนั้นแหมในช่วงนี้เองคนทั้งหลายก็เปล่งวาจา แท่ต้องด้วยความคำด่าโดยเฉพาะอำมาตยทั้งหลายบอกเพระเวสสันดรคนชาติชั่วอัปรีจังไรดูสิอยู่บ้านอยู่เมืองก็ยังทานช่างจนถูไล่ดียังไม่เข็ดไม่ลาเขาไม่ขอลูกกายังให้ลูกอีกจังชั่วช้าลามกบัตรสีซะจริงๆงชาลีได้ยินอย่างนั้นทนไม่ได้ชี้หน้าด่านี่คนชาติชั่วตนเองทาไม่ได้ยังไปเที่ยวด่าว่าคนอื่น พระเวสสันดรพ่อของฉันเนี่ยท่านมีจิตใจศีรษะเมตตาปนันนอย่าวาดแต่ช้างเลยเงินทอง ท, งทั้งหมดท่านมอบให้แม้แต่ลูกท่านก็ยังให้ทานคนอื่นที่ป่าถนาจิตใจของท่านสูงสงและแกน่ะเคยทำบุญหรือเปล่าแม้แต่บาทเดียวก็ยังไม่เคยต้นเองทำไม่ได้มือไม่พายเอาเท้าลา น, น้ำอีกสเสด็จ ป, ปู่งเลี้ยงไว้ทำไมคนสอพ อ, อย่างนี้ทำไมไม่ใสหัวนี้ออกจากบ้านจ้าเมืองเห็นไหมลูกที่ดงย่อมรักษาศักดิ์ศรีองค์พ่อแม่เขาด่าพ่อแม่ก็ออกมาคัาดค้านแทนเนี่ย แม่ถึงั น, นาดนั้นพวกอัมมาตอพรทั้งหลายก็ต้องได้เอาขันห่ามาขอเขามาแก่ชาลีว่าได้พูดจาพ่อยๆ อ, ออกไปนึกไม่ถึงนี่เห็นไหมละ่ะลูกที่ดีก็คมของศักดิ์ศรีของพ่อแม่ได้ทั่วสารทิศชี้หน้าดา่าพยาสนัยได้ยินดังนั้นก่อนนะผมนี่เสือหมากใหม่บอลลอนไ ก, ก, ก่กกเนี่ยพอมบอนเป็นหัวหลานลูกคนดีก่องเป็นยางนี้ บอกตนเองนะบาทเดียวไม่เคยทานพอพอ่อฉันทานได้แม้กระทั่งลูกยังมามีหน้ามีตามาว่าเขาเองหน้าไม่อายอํามาต่อพออย่างนี้ไสหัวมนออกไปจากพระราชวังพระเจาาสนชัยไปหานาง พุทธศีมาดูหลานวิ่งมาหาหลานหลานไม่ให้เข้าใกล้หมอกหม่อมฉันเป็นวันที่พกยาจกขนยากจนเมื่อใดยังไม่ถ่ายถอนออกมาก็ยังไม่พ้นจากความเป็นทาสเดี๋ยวนี้เป็นทาสทาสิทาส า, าเขาอยู่ว่าแล้วพระยาสนใจก็สั่งอำมาตย์บริวารนาย ผู้รักษาพระครังขนเงินขนทองออกมาไทยทอนตามราคาที่ตีไว้อีกตอนนี้ชูชกก็เลยได้เป็นพระเอกเงินอย่างละสองพันช่างคำสองพันช่างช้างร้อยตัวมา้าร้อยตัวปลาสาสบ้านร้อยหลังแล้วกับคนชายหญิงชายอย่างละร้อยอีกช่วงนี้แหละทานซาดโดยจนเอ่ยลืมนางอมิตตาเสียสิ้นกินสะยอกใหญ่เลยกินจนไม่ย่อยแล้วก็เลยตาย ท้องท้องนี่แน่นแล้วก็ตายไม่มีนะท้องแตกในพระไตรปิฎกไม่มีแต่พวกเราก็พูดกันทองพามแตกดังปูทองพาํารูดังปางถึกไม่ห้างตายพอหอยาสาสํำน่อยตายพอพันหนีบทันตายหลายกว่านั้นถือเือนปัญญาตายเป็นแตกเพไปด้านหนึ่งผมทำรูถึกนักปาดอาจารย์ตายเป็นบื น, บน ไปยังจะมาตายหลายแถวกนักปาาอาจารย์ทั้งหมดนั่นถ้าจะว่ากันตามความจริงแล้วทําไมเอามีดมาเสียบพุงจึ้งมันไม่แตกเอากินยังไงก็ไม่แตกนั่นเป็นปริศนาสอนทำเป็นฟิสสการเวออสปีกิ้งเป็นทำเป็นปุคลายที่ฐานาสอนเราให้รู้ชูชกได้ทรัพย์สมบัติฮีโตประเตสได้มา ก, กเลยกินอย่างยิงย่งใหญ่ไม่จใช่กันเลยท้องแตกตายนั่นเป็นอย่างนั้นชูชกมหาราชเอ็มก็จบลงไปเพียงเท่านี้หลังจากนี้เราก็โศศั ก, กติ นครกันชะ ก, กตีนี่มีสามสิบหกคาถานาครกันสี่สิบเก้าทัพสนชเจ้าสนชัยสีพีเชตุดรก็ได้ปรึกษาหาเลืกกำนางพฤษีควรที่เราจะต้องไปเชิญพระเวสสันดรกลับสู่พระนครเหลาได้แล้วชาวบ้านชาวเมืองก็คงจะหายโกรธหายแค้นทุกคนมีความเมตตาปานีต่อกันหาชาลีผู้ทุกยากคิดถึงพระเวสสันดรบ้านเมืองก็มาอยู่เย็นเป็นสุขเท่าที่ควรแล้วพระเวสสันดรจากไปความโกรธก็ได้จางหายไป ครั้งแรกจะให้อเอาช้างเอาม้าเนี่ยไปให้กันฮาัชารีนำทางไปทัก2สองคนแล้วก็พาช้างพามาไปแห่กลับมานั้นสองคนนี้ไม่ไปดูสิตอนไล่ออกจากเมืองนั้นแห่กันทั้งบ้านทั้งเมืองมาเดินประท้วงเย่วๆย ย, ย, ยไล่ให้เสด็จพอเสด็จแม่หนีฮิทอนจะไป เอากลับมาเนี่ยให้เด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมไปตามกลับมามันไม่สมเหตุสมผลสมสตรีหม่อมฉันไม่ไปในดีสดุดพญาสนชัยก็เลยตกลงจะต้องไปซะเองไปซะเองทั้งนางพุทธดีว่างั้นเถอะนะแล้วก็ พาตันแห่แหนแตนแตไปกองทัพแสนยานุภาพอันเกรียงไกรกองทัพช้างกองทัพมาใส่ไปติดธงสีพีเชตุดรนอ้อยเสียงสนั่นวันไหวพเวยสันดอนกับพระนางมัทธีอยู่ด้วยกันได้ยินเสียงคือกลองโกลาหนมาก็ น, นึกขึ้นมาได้ว่าข้อนี่คงจะเป็นข้าศึกษามันตราต่างนครที่ยกพยุหะแสนยากรมาช่วงเชิงพระราชอํานาจใสพีเชตุดรยึดได้แล้ว ก็คงจะตามมาเนขนค่าเสี่ยนน้ำลูกของพระเจ้าสนชัยในป่าไปเถิดมื่อีเอย๋ยจูงแขนนางวิ่งเท่านั้นเองเ保卫สันดอนขยานคือกันนี้แต่ว่าพระนางมั่อทีนั้นไม่มีความคิดอย่างนั้นที่ว่ายังไงยังไงก็ต้องเป็นสีดีเทุดรนของจะมาแห่เรากลับพระนครเป็นแน่แท้นางคิดอย่างนั้นมั่นใจอย่างนั้นและเมื่อวิ่งขึ้นไปบนยอดเขาสูงสูงขึ้นไปก็เบลือบมองลงไปเห็นธงประจำ เลวัตทองของสีพีเคตุดรนแน่แน่โอ้นั่นเป็นเครื่องหมายก็เลยกลับเขินมาหลังจากนั้นพระเจ้าสนชัยก็ไปถึงอาสมพระเวทสันดอนกำนางมาทีต้อนรับด้วยอาการโศกเศร้า ก, กันและแสงร้องไห้กันอยู่ชั่วคู่พนางพุสดสตีก็เสด็จถึงวิาสาสะกันอยู่สักพักใหญ่พักพักใหญ่เอาผ้าเอาอะไรมามอบให้ม า, ามทานใส่ยูเย็นเป็นสุกยังไงลูกเออยังพออยู่พอทนรื้ออยู่ในปานในเขาผิวกายของเธอค้ำไปก็ไม่เป็นไรก็พผอยู่ได้ ตอนนี้นสี่กษัตริย์เผวสันดอนนางมัทีพุทธดีและสนชัยกำลังสนทนากันจบเสร็จแล้วสองกุามารก็สเสด็จเข้าไปพอพระนางมัทีเรือเน่เห็นสองพระลูกลัดพากันเดินต่อยต่อ ย, อยเข้าสูเ่เขตอาศกเท่านั้นพลานางก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างสเสด็จละจากพ่อและแม่สามีวิ่งพะว้าออกจากศาลาชาลีกันหาพอเห็นแม่ต่างก็วิ่งเคียงกันโผลเข้าอ้อมกอดของแม่ มีอาการเหมือนแม่ไก่วิ่งกลางปีออกต้อนรับลูกและลูกไก่ก็พากันวิ่งเขา้าซุกใต้เปกของแม่ทางลูกและแม่ส่งเสียงกันแสงร้องไห้อย่างลืมสติร้องไห้โฮเลยนึกว่าตายจากแล้วลูกเอ้ยเสร็จแล้วความรู้สึกปะทะ ก, กันในหัวอกมีทั้งดีใจเลยสังเวชสงสาร สิ้นเสียงกันแสงสามแม่ลูกต่างก็ล้มพับแน่นิ่งไม่ติงตายณนกะลางพื้นหญ้าหน้าอาสมนั้นเองตะลบที่อีกสามสี่กษัตริย์อีกสามสกษัตริย์ประทับทอดพระเนตรได้เห็นดังนั้นก็สุดที่จะทนทานและเห็นสามแม่ลูกที่มีอันเป็นไปเช่นนั้นก็พากันวิ่งออกจากศาลา ทางเข้าพระใช้เข้าใจว่ามัธยีกันหาชาลีถึงแกท่ทวิวิงคุที่วงคตตายเสร็จแล้วแน่นอนเกิดวิประโยคโศกสลดอย่างเหลือกันพันอีกสามพระองค์ก็ล้มวิสัญญีพากันสลบหลับกองทับกายกันเลยกันอย่างนนาเนตอนาจใจแม้บรรดาพระคุ พรหขนจะตกลงผลเกษตรนาองค์ข้ามนตีและนักสนมนาลีสิบสองอโครประเพนีต่างก็ส่วนซบสลบไปทั้งใส่กองทัพทำให้บริเวณพระอาสมสถานเกลื่อนกลลเนลนาดไปด้วยคนร่างที่ไร้สติดุจป่าไม้หลังที่หน้าก็แรงรวมร้ายฉะนั้นตอนนี้แหละฝนสวรรค์โบกลบพัดกระจายตัวลงมาในของเขตประเทศที่สาลาฝนตกลงมาพอดีฝนสวรรค์จากถวยเทพ บรรดาลให้ตกลงมาเพื่อให้กองทัพที่ไร้สติและกลุ่มชนที่สลบกองกันนั้นได้ฟื้นคืนออกมาพระเวสสันดรก็เล่ามาพระพุทธเจ้าเล่ามาถึงตัวนี้บอกพิสุทั้งหลายนี้แหละฝนที่เธออัศจรรย์ล่นเลื่อนนั้นครั้งนั้นยิ่งกว่านี้ตกลงมาในเวิร์งว่างผา อำนาจผนโบกอลพัดซึมซาไปทุกขุมผลทั่วสลีละอินซีของทุกชีวิตจึงค่อยๆฟื้นคืนกลับสู่ภาวะปกติจากนั้นทุกหมู่หมวดมุขอาบหมาดมนตีที่ชาตเสนาพึกสามารถราชกวีทั้งสนมนารีนิกร อ, อันงงทั้งพวกปวกมุนพลวัเสนาทั้งหลายก็เกินลมมาชาะยดสยองสแส扬พระเดชตางก็ช่วยกันน้อมเกลากังคมโทน จากนั้นการกราบทูลพระเวทสันดรกลับสู่พระนครก็ร่มขึ้นครั้งแรกพระองค์ไม่ยอมพอครั้งที่สองก็ยังไม่ยอมอีกจนมาถึงครั้งที่สามก็ทรงละสเสวตราพรทรงปลดเครื่องนุ่งขาวห่มขาวออกใส่เสื้อผ้าธรรมดาสามัญตราชเสร็จแล้ว ก็เตรียมจะกลับพนักครพระเวสสันดร น, นี่มาคิดถึงอารามที่ตนเองเคยอยู่นี่ลักษณะคนดีอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งก็ระลึกถึงบุญคุณของมันได้ให้ร่มเงาพระเวสสันดรก็ฉันนั้นโอ้พระโออาสมสาลาลหยแหลและเลื่อนฟ้าแต่นี้ไปหน้าโรยลาแรมลมดิราชใครเลยจะแห้วกวาดเสียดายเอ๋ยแต่พระอาวาสระหว่างจงกลมแก้วทั้งที่บรรทมทิพศิลาแก้วนับวันแล้วแต่จะจำกัย โอภาอาสมก็จะบรรลพเพราะเพลิงป่าทั้งสูงสัตน า, นาจะยื้อแย่งจะยับเยินทั่วทุกคนแห่งโอเวทนาอีตอนนี้คิดถึงอาสมที่เคยอยู่เคยอาศัยระหว่างเดินจงกรมน้ำตาห ล, หลางไหลออกมาด้วยคิดถึงบุญคุณอาสมบทน้อยที่วิสุกกรรมได้ในละมิไทยหลังจากนั้นก็กลับสู่พานครสซีผีเทศตุดร ปกครองไพ่ฟ้าอาณาประชาราชกลับไปถึงบ้านอีกครั้งหนึ่งฝนแก้วเจ็ดประการก็ตกลงมาบ้านเบื้องเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข์ไม่มีความทุกข์ยากลำบากขาดแคลนประการใดทั้งสิน้นการเสียสละเท่านั้นที่จะให้โรคล่มเย็นความเห็นแก่ตัวคือที่มาที่เกิดขึ้นแห่งมิขสันญีพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าที่แสดงมาขอจบเวทสันดรชาดก ลงด้วยประการชนี้เมื่อพระองค์ได้แสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกให้แก่เหล่าสากยราชพี่น้องฝั่งและพิสุทธ์ทั้งหลายแล้วจบจากนั้นก็ตับอริยสัจทั้งสี่คือทุกเหตุให้เกิดทุกความดับลงแห่งทุกและหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกยังให้โบูมวลพี่น้องสากยราชได้บรรลุ ด, ดวงตาเห็นธรรมโซดาบันเป็นจานวนมากข้าพเจ้า ขอน้อมนอมน้มศการพระโพธิสัตว์เจ้าพระองค์นั้นด้วยอํานาจการคารวะนมำมการนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่สาธุชนผู้ติดตามฟังรายการนี้มาตลอดขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายขอเมตตาธรรมจงอุบัติในดวงจิตนรชนทั่วโลกโดยทั่วกันทุกคันทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงท้ายนี้ ท่านทั้งหลายก็คงอยากจะรู้อยากจะทราบว่าใครเป็นใครกันแน่เรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานั้นด้วยความไม่เที่ยงแท้อำนาจแห่งอานิจจังทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นสามัญลักษณะแม้กระทั่งนามสมมุติชื่อเสียงนามโคะก็เช่นกันจอมเปลี่ยนแปลงไปชีปังรูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนชีรติหญ้าเมื่าฟงซั์เสียงซูลสัมซีวิท โหบพ่อยกระศูนเสียบอกวันเห็นใดมีเถอาอัตถีเบี่ยงอังค่านเถ่าทานทางทมถมต่วมแผ่นพื้นให้เฮ้าใดหงเห็นส่วนว่าน้ำโขดเสือเสียงสือสักสกุลปหอนศูนหายไปจากโลกากรวงทัางพองบุญกุศลเบื่องป่าปังกำบาปหากจะยังโยคามให้เฮ้าใดหงเห็นเป็นอันว่าถือเสียงเรียงนามนั้นยังคงอยู่แคว้นสีพีเชตุร ขันร่วงมาถึงครั้งยุ้งพุทธกาลก็เปลี่ยนชื่อเป็นสักชนบทนครเชตุดรก็เปลี่ยนเป็นกรุงกบินาพัฒนราชวงศ์ศรีวิราชเปลี่ยนเป็นสาเยรราชพระเจ้าสนชัยมาอุบัติเป็นพระเจ้าสุโทธทนะพุทธบิดาพระนางผุดสิงมาอุบัติเป็นพระนางสริกมหามายาพุทธมารดาพระนางมัทฉีเป็นพระนางยาโสธราพิมพามารดาของหลานคุณพระชาลีกุมาร เป็นพระราหุนพุทธชิโนรสพระนางกัญหาเป็นเนปนางอุบลรวนนาเทลีชูชกเป็นพระรนนเทว ท, ท, ทัพอมิตาเป็นนางจินจมาณักวิกาสาวิกาของเดลฉีแม้บุคคลต่างๆที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องมหาชาติก็ล้วนอุบัติมาเป็นบุคคลต่างๆผู้มีนามและมีความสําคัญเป็นกําลังช่วยเผยแผ่คาสอนของพระพุทธเจ้าให้กิรังยั่งยืนแพร่หลายสืบต่อมา จนถึงพวกเราปัจจุบันส่วนพระเวสสันดร น, นั้นเราท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ให้กำเนิดพระบวรพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ว่าด้วยอานาจการบำเพ็ญบารมีธรรมของพระมหาบุรุษที่ยอมพลีทุกอย่างสละรสละบุตรสละภรรยาและอวัยวะตลอดม้กระทั่งชีวิตแม้ท่านจะสละเพื่อความหลุดพ้นของท่านเองก็ตาม แต่ผลของการหลดพ้นนั้นก็พลอยมาถึงพวกเราชั้นหลังๆให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ทีท่แปกแตกต่างกว่าฝูงสัตว์ก็เพราะมีศีลธรรมและพระพุทธศาสนาที่เราได้นับถือประพฤติปฏิบัติดันโยชนั้นควรที่จะรับฟังเรื่องมหาชาตินี้ด้วยความกตัญญูรู้คุณด้วยการประพฤติปฏิบัติตน จำเริญรอยตามปฏิปทาของพระโพธิสัตว์เวสสันตละเจ้านั่นคือการบูชาคารวะท่านด้วยการศีรษะวิการปฏิบัติตามกำจัดความเห็นแก่ตัวให้ลดลงทีละน้อยทีละน้อยก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนช่วยให้โลกสันิวาสนี้คือสังคมของมนุษย์หน้าอยู่หน้าอาศัยอบอุ่นขึ้นดังพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้ว ด้วยเวลาอันยาวนานสุดท้ายเวลาที่มีเลืออยู่นี้เป็นอันว่าจบไปแล้วถ้าจะให้ปริทั์อีกสักเรื่องหนึ่งทำไมนางมัทชีนั้นนางจึงต้องมาทนทุกข์ยากลำบากเมือ่อรู้สลบแล้วเติรนฟื้นขึ้นมาเห็นสามีบอกว่าลูกก็ให้ทานไปแล้วนางกับยินดีอนุโมทนาพอพระเวสสันดรจะยกให้กับสกภาม นางก็ยินดีอนุโมทานาไม่ขอร้องแม้แต่น้อยนิดเรื่องเคยมีเล่าไว้ในทูเลนิทานสมัยก่อนนูนพระเวสสันดรพระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นซุ้มเหตดาบทในสมัยพุทธเจ้าทีปังกรในวันหนึ่งเหาะมาในอากาศเห็นชาวบ้านกําลังทําทางก็แวะลงถามว่าท่านทั้งหลายทําอะไรพวกชาวบ้านบอกว่าทำถนนรับพระพุทธเจ้าทีปังกรจะเข้าไปในเมืองโอถ้าอย่างนั้นฉันขอทําด้วยอยากจะได้บุญเขาเห็น ดาบดหนุ่มนี้มีฤทธิ์มีเดช ก, ก็เลยให้ทำตรงที่มันยากยากมีตมมีโคนดาบทหนุ่มนีพยายามเอาผ้าในสีตนะหอเอาดินมาเทใส่เทใส่พอถึงพุ่งนิชเช้าพระพุทธเจ้าทีบังกรเข้ามาถึงงานยังไม่เสร็จเหลือประมาณหนึ่งเมตรส ม, มรัยดาบดก็เลยนอนทับลงไปในโคนให้ตนเองเป็นสะพานพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยอรหันบริวารเป็นหมืน่นเป็นแสนได้เดินใต่ไป เพื่อไม่ให้เปื้อนพระบาทด้วยตมขนแล้วอธิษฐานแต่ว่าขอเดชที่พระพุเทเจ้าได้ถวายตนเองเป็นสะพานนี้จงได้บรรลุอุอนุตลาสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนพระพุทธเจ้าองค์นี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าบอกพิสุททั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายนี่คือหน่อพุทธทางกูลกําลังอุบัติขึ้นในวันหนึ่งข้างหน้าพระตะกับโนนบุรุษนี้จะเด้ตัดสรู้อนุตลาสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นแน่นอน ทิศสุดตั้งหลายพากันสาธุกันเมื่อทิศสุดตั้งหลายผ่านไปแล้วดาบทหนุ่มนิมมอมแหมมด้วยโคนลุกขึ้นนั่งอธิฐานใจใอีกหลับตาพิมพก่อให้เราได้ตัดสู้นุตตะลสั ม, มาสัมโบธิญาตในขณะเดียวกันมีดารูนีแรกรุ่นสาวสวยคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆสาทุทำบุญทำทานมาจากไหนขอให้ข้าเป็นเจ้าได้เป็นเมียของดาบท ร, รูปหลอกคนนี้ด้วยเถอะดาบทได้ยินนั้นก็หันหน้าไปตะคองขา้าชั่วหน้าไม่ไอาย ผู้ชายล้นโลกโลกาทำไมต้องมาปาถนาหรือสีชีพัยไปไม่อยากจะเห็นหน้าหน้าไม่อายสำสันว่าอย่างเนี้ยนางก็บอกว่าข้าแต่ท่านผู้ฝ่ายอนุตตลัส ม, มาสำโพธิยานทำไมท่านได้ด่าได้ว่าอย่างนั้นในเมื่อท่านจะปาถนาโพธิญาณท่านจะต้องให้ทานมหาบริจาคหาลูกทานเมียอวัยะวะเงินทองและชีวิต เงินทองท่านทานได้เป็นของท่านชีวิตเป็นของท่านท่านทานได้เอาไว้ยว่าเป็นของท่านท่านให้ได้แต่ลูกกับเมียท่านไม่มีท่านจะให้ได้อย่างไรก่อนที่ท่านจะมีลูกท่านต้องมีเมียลูกนั้นเป็นสมบัติของผัวและเมียร่วมกัน ท่านจะให้ลูกเป็นทานท่านจะต้องมีเมียซะก่อนถ้าเมียไม่ยินยอมท่านจะขอดลูกเป็นเองหรือเพราะเหตุนั้นท่านจะหาผู้หญิงใจถึงที่ไหนได้ฉันจะขอเป็นเครื่องมือเป็นสำเภาแก้วสําเภาทองท่านจะได้ทานลูกและทานเมียฉันพร้อมที่จะขอดลูกมาให้ท่านทานและพร้อมที่จะเอาตัวของฉันเนี่ยให้ท่านมอบให้ไข่ก็ได้ท่านยังมองข้ามสิ่งเหล่านี้แลหรือว่าแล้วซุเมดาบอกก็เลย อืมป็นหัวรักอืมโอเคขอให้เป็นอย่างนั้นเถิดจากวันนั้นมาจนบัดนี้พรานางดารณุณีแรกรุ่นคนนั้นก็คือนางมัทถีสุเบธดาบทผู้ให้ทานทั้งลูกทั้งเมียนั้นก็คือพระเวสสันดร น, นั่นเองอาปุตจาท่านเคยกล่าวกับนักกุละมันดาว่า